มรสการค่ะช่วงนี้ก็มีความสุขดีแต่มีปัญหาอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะคะหลวงตาเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่เราไม่ได้ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเราก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีสามารถฝึกสิตได้นั่งสมาธิได้แต่พอเวลาที่เราจะต้องแบบทํางานจริงๆอยู่ในร่วมสังคมเนี่ยมันก็ต้องเกิดความแบบไม่พอใจไม่พึงพอใจ ตอนอ่านหนังสือธรรมะท่านก็บอกว่าเวลาเราโกรธหรือว่าไม่พึงพอใจเนี่ยก็ให้เรารู้จักทำใจแล้วปล่อยวางซะแต่ว่าในสถานการณ์จริงนะคะหลวงตาบางทีงานมันติดพันปล่อยวางบ้างมันก็ปล่อยได้บางช่วงเก็บเอาไว้ในใจมันก็ไม่มีที่ระบายก็อึดอัดเห็นบางทีไปฟังธรรมะนะคะก็จะมีบางท่านก็หลวงตาบางท่านก็จะมีแนะนำว่าให อดทนอดกลัน้นอย่าได้แสดงความโกรธออกมาแต่ว่าบางทีก็ไปอ่านหนังสือธรรมะท่านก็บอกว่าคนเรามันก็มีความรู้สึกดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติรู้สึกโกรธก็ให้ระบายออกมาก็จะทําให้จิตใจของเรานิ่งขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าค่ะอย่างเราเราบอกบางทีมันก็มีความแบบไม่พอใจหรือว่ารู้สึกว่าทําไมไม่เป็นระบบอย่างนี้ละของปรีดขึ้นนี้างเงี้ยค่ะหลวงตาจะมีคําแนะนําที่จะให้ปฏิบัติตัวฝึกสิิตยังไงเพื่อที่จะ ให้เราไม่ต้องกดดันแล้วก็จิตใจสบายแล้วก็ทํางานได้โดยที่ไม่ไปของขึ้นหรือปลีใส่ใครใครจะเป็นยังไงอะใจเราสิ้นยึดเป็นพอใครจะเป็นยังไงอะใจเรานิพานเป็นพอนิพานคือให้บิดให้ใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งภายในอาการของใจเรานั่นแน่มีอาการของใจสบายใจไม่สบายยังไงเราจะก็เป็นกลาง ใจสบายแล้วก็เป็นกลางใจไม่สบายก็เป็นกลางอดใจของเราฝึกแต่ใจของเราฝึกแต่ใจของเราเรื่อยไปใครจะเป็นยังไงใจเรานิพานเป็นพอท่องไว้ใครจะเป็นยังไงใจเรานิพานเป็นพอจะไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเวลาเราจะเป็นจะตายเขามายืนข้างเตียงเราไม่ว่าเราจะรักปานใดจะเกลียดโกรธปานใดอะเขาก็ช่วยเราไม่ได้เราตอนไฟท่าแตกมันทุ่ล้นทุลายกระเสือกกระสนมีแต่รัมีแต่ตัวเราคนเดียวเลยโดดตอนนั้นเนี่ยต้องช่วยตัวเองอย่างเดียวเลยต่อให้ลูก ต่อให้คนรักคนช่างอะไรมายืนข้างเตียงเราไม่มีใครหรอกที่จะเราจะแบกหามก็เอาไปได้จะช่วยเราได้ตอนนั้นเราไปท่าแตกมีแต่กระเสือกกระสนอย่างเดียวมีแต่ใจอย่างเดียวที่ติ้นยึดไหมถ้ายึดอะไรทุกแสนสาหัสเลยตอนนั้นแนใครจะเป็นยังไงอฝึกที่จิตใจของเราให้เป็นกลางต่ออาการของใจฝึกให้ทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่ยังไงในถ้ำกลางอะไรก็ตามฝึกทิตใจของเราใครจะเป็นยังไงแจเรานิพานเป็นผอนนิพานก็คือใจเป็นกลางต่ออาการของใจ อาการของใจมันจะเป็นอย่างไรทุกขนาดจะมันจะถูกใจไม่ถูกใจให้ใจเป็นกลางต่อทุกอาการของใจไม่ใช่ว่ามันดีรักชั่วชางเกียรตทุกรักสูกเกียรตทุกรักสุกดีรักชั่วชางอันนี้มันไม่เป็นกลางฝึกให้ใจนะ่ะมันเป็นกลางต่ออาการของใจให้ใจมันเป็นกลางแล้วก็เออมันก็จะไม่ไปทุกขกับคนติ่งใดในโลกนี้แต่ถ้าเราฝึกให้เป็นกลางที่ใจของเราไม่ได้เราก็จะ คุกมากเลยกับคนในโลกลุกศิลปในโลกนี่เราจัจตัวกับเขาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปแก้คนอื่นในโลกนี้ได้ทั้งหมดหรอกเราต้องแก้ที่ใจเราที่ย่อใจเราเนี่ยสรงจิตออกนอกไปหาเขาให้ฝึกที่ใจเราฝึกที่ใจเราให้มันเป็นกลางต่ออาการของใจอาการจะดีจะชัว่วจะถูกใจไม่ถูกใจให้ใจเป็นกลางฝึกให้ใจเป็นกลางต่ออาการของใจไม่ใช่ว่าเราไปยุ่งวุ่นวายแต่คนอื่นไปตรงไปฝึก รู้แต่เรื่องของคนอื่นนะไม่ทําให้เราพ้นทุกข์ที่ท่านกล่าวว่าคนอื่นน่ะจะดีจะชั่วยยังไงัไม่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้หรอกแม้หรือยิ่งแย่ใหญ่เลยคือเขาเนี่ยทําความชั่วมีความชั่วเท่าภูเขาเลยเราเอาขาเข้ามาไว้ในใจเราเอาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเราเท่ากี่เล็บทําให้เราตกนรกได้ความชั่วของเขาเนี่ยมีเท่าภูเขาเนี่ยเราเอาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเราเท่ากี่เล็บแต่ทำให้เราตกนรกได้อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าใจเราอ่ะแต่มีหน้าที่ก็ทําต่อกันไปแต่ใจเราเนี่ย หยาดรงจิตออกนอกไปหาเขาไอ้รู้ตอบทานอาการของใจเราตลอดเวลาให้ใจเป็นกลางต่ออาการของใจอาการของใจจะถูกใจไม่ถูกใจให้ใจเป็นกลางเลยไปอย่างเนี้พอฝึกได้ใจมันก็จะไม่ไปทุกข์กับภายนอกเข้าใจไหมล่ะลุงตาสังเกตเห็นโยมเนี่ยมันข้างในใจมันชอบแต่ใจที่มันมันนิ่งมันเฉยมันสงบมันว่างมันเบาไม่มันสบายไปอยู่กับใจที่ประเภทนั้นเพราะอาการของใจที่มันไม่ได้อย่างใจละโยมจะหงุกหงิดมาก เนี่ยสังเกตเองนะโยมทำโยมผิดแล้วเนี่ยผิดผิดพ อ, อเป็นอย่างเงี้ยมันจะของขึ้นปีติของป้นปีติง่ายเพราะว่ามันผิดนะผิดคือเนี่ยหลายคนมาเนี่ยมาหารเราเราแก้เป็นแถวเป็นแนวคือมันไปไปจอบแต่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างแล้วพอมันมีอะไรมากระทบพอเราไปจัดการเขาไม่ได้เราก็จัดการอาการในใจเราทําให้มัน กดให้มันจัดการให้มันให้มันนิ่งเฉยสงบว่างให้ได้เราพยายามจะเพียรจัดการกับอาจารย์อาการของใจเราให้นิ่งเฉยสงบว่างแล้วเราก็มันดีมากเลยไม่ว่ามันมีกระเพื่อมาปุ๊บรู้ต่อทันให้มันหายไปมันกระเพื่อมข้นมารู้ต่อทันให้มันหายไปแล้วมันนิ่งเฉยสงบว่างไอ้นี่เนี่มันเข้าไปในโลกแล้วเข้าไปในโลกส่วนตัวโลกเออเลาวตอนเนี้ยล้วก็กระทบไม่ได้ตอนเนี้ย ของปรีดก็ต้องอะไรก็ปรีดเลยเพราะอะไรมันไปติดให้นิ่งเฉยสงบเบาสบายว่างติดดีมันเนี้เวลากระทบอะไรมันก็ทนไม่ได้หลายคนมาเนี่ยแก้เป็นแถวเป็นแนวแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้แต่ว่าตั้งใจจะแก้ไหมถ้าใครตั้งใจจะแก้ก็ต้องแก้ให้ได้เพราะว่าถ้าแก้ไม่ได้มันข้ามภพข้ามชาติมันจะข้ามภพข้ามชาติไปเลยข้ามภพกวามชาติไปเ ป, เป็นอย่างนี้อีกไปเป็นอย่างเงี้ยอันนั้ต้องแก้ทีใจเรานะแก้แก้ทีใจเราแก้ให้ได้ สบายใจไหมสบายใจวางนะสบาใจว่างกคือพยายามมองในมุมมองของคนอื่นแล้วก็ทําใจในเรื่องนั้นให้ได้จะได้ไม่ต้องแบบมีอารมณ์โกรธใช่ปะบอบอเขาใจผิดไม่ใช่ไปมองคนอื่นมองมุมมองโลกอื่นมอ ง, มอ ง, มอ ง, มองดูใจของเราจะไปยุ่งกับคนอื่น อย่าเอาใจเราเนะี่ยส่งไปหาคนอื่นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นดูใจของเราเนี่ยมันเป็นอาการอย่างไรใจเราเป็นกลางไหมกับอาการของใจเราไม่ใช่ดูใจเราให้มันว่างกับคนอื่นไม่ใช่อย่าส่งใจเราไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็คือไม่ต้องไปคิดว่ามันไม่ได้ดังใจเพราะอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าหงุดหงิดอยู่ก็ต้องรู้ว่าตัวเองกําลังหงุดหงิดแล้วก็ต้องพยายามที่จะเอคิดว่าเราหงุดหงิดอยู่นะ แต่ก็พยายามปล่อยทิ้งไปแล้วก็ทําใจให้มันนิ่งขึ้นใช่ไหมคะบอบอผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านิ่งอยู่เดี๋ยวนิ่งเอาว่าเดี๋ยวคือเราทำงานอะไรก็ทําไปเนี่ยเราก็นั่งทํางานไปเนี่ยเราก็รู้เวลาอาการหลงใจเราเป็นยังไงแล้วก็ทํางานของเราไปอย่าไปยุ่มกับอาการหลงใจแต่เราก็รับรู้อยู่ว่าอาการหลงใจเดี๋ยมันเป็นยังไงทุกขณะปัจจุบันเราก็ทํางานของเราไปอาการหองใจอ่ะ มันก็เกิดสลับหน้ากันอยู่เรื่อยเนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวช่วเดี๋ยวตูกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ยวกุศลดีกุศลดเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวไม่ตกใจเดี๋ยวฟ้องใสเดี๋ยวเศร้าหมองมันก็สลับหน้าไปอยู่แน่แน่มันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นนิจังทุกขังอนัตตาอาการของใจเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นทุกเป็นในนิจังไม่เที่ยงอาการของใจทั้งหมดน่ยมันเป็นทุกมันเป็นทุกคือมันทนอยู่สภาพไม่ได้มันทนอยู่สภาพเดียวไม่ได้มันเป็นที่ขังทุกทุกขังเนี่ยมันเป็นทุกขัังงขทุก มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอาการทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่เรามันใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงมีแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปแต่เราไปยึดเอาอะเราเป็นอย่างนี้อีกแล้วพมีอาการอะไรเราเป็นอย่างนี้อีกแล้วมีอาการอะไรเราเป็นอย่างนี้อย่างงั้นเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็แก้ไงแก้แก้ไม่ตกอะเพราะเราไปยึดเอาอาการอะเป็นเราเป็นตัวเรามันเป็นอาการของเราเป็นตัวเราเราก็แก้ไม่ตกอ่ะแต่เนี้ย อืเราต้องเห็นว่าอาการทั้งหมดเนี่ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นที่ขังทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นของที่เสื่อมไปแล้วก็แตกดับไปอย่าไปยึดมันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเออไอแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ แลาก็ทำงานของเราไปมันม well ีการอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยเราก็เห็นว่าไอ้นี่มันเป็นอาการที่ไม่เที่ยงมันเป็นธรรมอารมณ์อาการน้องใจทุกทีนี้เป็นธรรมอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ถูกใจบาไม่ถูกใจบ้างถูกใจไม่ถูกใจมากก็แค่รู้ไปทํางานไปไอเป็นไอเกิแค่รู้แท่รู้สัตรันรู้แค่รู้สัตว์ตะันรู้อาการของใจตัวอาการน้องใจมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องแตกดับทําลายไปเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวมันก็ป่วยเดี๋ยวก็ต้องแตกดับทำลายไปเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็แตกด พอ ร, าร่างกายเจ็บป่วยก็พาตัวไปหาหมอเพราะอะไร ม, มันเป็นทุกข์ไงง่ะมันเป็นทุกข์พอเจ็บป่วยมากร่าง ก, กายก็ต้องพาไปหาหมอมันเป็นขอไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็แตกดับทํำลายไปส่วนจิตใจก็เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หมอดเดี๋ยวก็ป่วยก็พาไปหาจิตแพทย์นี่พาไปหาจิตแพทย์เนี่ยไปหาหมอโรคจิตกายก็ต้องพาไปหาหมอโรคกาย จิตเดี๋ยวก็ต้องป่วยพาไปหาหมอโรคจิตดังนั้นเนี่ยรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้มันก็ต้องตายทางกายและจิตแหล Д ะ ม, มันก็ต้องตายไปอืมก็ไม่ยึดอะไรเลยเพราะ ว, ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตัของเรามันเจ็บใครได้ป่วยทางกายทั้งจิตก็รักษาไปพาไปหาหมอแล้วก็รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็แตกดับทําลายไปแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงแบบเนี้ยแล้ว ถ้าเราไปไม่ไปไม่ไปยึดถืออาการทั้งหมดก็เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามก็ง่ายแล้วก็เป็นก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอาการที่มันเป็นมันก็ต้องเจ็บใครได้ป่วยมันก็ต้องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในอาการหัวใจมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยร่างกายเดี๋ยวก็สุขภาพเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายจิตใจมันก็เป็นเดี๋ยวก็ป่วยคือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายเนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็ได้แต่รู้มันเป็นรู้เป็นรู้เรื่อยไปได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ไม่เข้าไไปยึดออออออออะรจจนทัั้งง่่าาใขตววเเก มันจะดีมันจะช่วยยังไงก็แค่รู้ไม่ยึดอะไรไม่เขไปยึดอะไรแล้วนั้นร่างกายก็ดับไปลมใจเคลือเคลือบเคอบก็ดับไปความรู้สึกมันกินอารมณ์จิตใจก็ดับปุ๊บลงไปถ้าเราเข้าใจมันตแต่แรกว่าเออมันเป็นแต่เหลือแต่รู้อะไรเกิดขึ้นก็หลือแต่รู้หลือแต่รู้ก็ได้แต่รู้ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้ถ้าได้แต่แค่รู้จริงๆเนี่ยไอ้รู้เนี่ยเนี่ยมันหายตัวไปเลยแต่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ร่างกายก็ดับไปเพราะร่างกายเป็นของปรุงแต่งจิตใจ เวทนาสัญญาทังขามวิญญาณก็ดับไปเพราะเป็นของปรุงแต่งแต่ถ้าเราไปเลือกเอารักเกลียบทุกรักสุกดีรักเั้าช้างอันเนี้ยมันยึดพอมันยึดเสร็จปุ๊บมันตายแตไอ้ไกายเนื้อเอ่อ่างกายแ ล, ล้วก็เวทนาสัญญาทั้งขามวิญญาณที่เป็นของไอ้กายเนื้อเนี่ยของหยาบแต่เป็นสร้างตัวยึดไว้ตัวหนึ่งคือไอ้กายโปร่งแสงแ ล, ล้รูปร่างมันตัวเร่าเลยเนี่ย พอตายแล้วประเด็นมาจากล่างเราไปไปทุโตกเศร้าเสียใจกรับแกนใจร้องไห้แล้วก็รอโยมมาตูดก็มาก็มาสามงามแทงเอาไปแต่ถ้าเราเป็นรู้เนี่ยเออไม่ยึดเลยร่างกายก็ปล่อยวางมันจิตใจก็ปล่อยวางมาเป็นรู้ซะเป็นรู้อ้าวพอเป็นรู้ปุ๊บไม่ไปเป็นคิดเป็นรู้ไม่เป็นคิดเป็นรู้เป็นรู้เรืออ่อยไป แล้วก็ไม่ยึดอะไรแต่เป็นรู้ไม่ยึดอะไรแล้วก็ไม่เป็นแล้วไม่หลงมันเป็นคิดเป็นรู้อรู้มันคิดไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่ได้แสดงกิากรรไม่ได้ไม่ปรากฏตัวตนเป็นรู้พอตายแล้วก็หายตัวไปไม่มีไม่มีตัวเราเนี่ยก็เดินตัวจากล่างไปให้ต่อไปรับผลของไกรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่ต้องให้ยมาทูดมาเอาสามแง้มแทงเอาไปแต่เราเข้าใจอย่างเงี้ยก็ฝึกให้เป็นรู้เป็นรู้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นผู้มีอารมณ์อย่าไปเลือกอารมณ์ไอให้เป็นรู้ ให้เป็นรู้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นผู้มีอารมณ์ไอเห็นว่าทั้งคิดทั้งมีอารมณ์น่ะเป็นสิ่งที่แตกดับเป็นของตายอย่าไปยุ่งกับมันของตายอ่ะไอ้เป็นรู้เลยไปอย่าไยุ่งกับของตายถ้าเราไปยุ่งกับของเกิดของตายเนี่ยมันก็ต้องกระเด็นออกมาเนี่ยมีตัวเรากระเด็นมาจากล่างมาให้มารับทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อไปไปเกิดใน้ล่างใหม่ให้ไอเป็นทุกข์ไปอีกพบชาติต่างๆเป็นทุกข์เรื่อยไปถ้าเราพอใจอย่างเงี้ยก็ฝึกเข้า ปรจานนี้ถ้ามันไม่จบมันก็ใจไม่เป็นรู้ทันทีมันก็ยังต่อสายได้เพะมันเคยฝึกมาแล้วตายไปก็ยังไปต่อสายได้แต่มันเนะี่ยก็อยามประมาทให้มันจบทันทีเดียวมันไม่จบก็สู้มันจนถึงที่สุดวินาทีสุดท้ายแผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีวันยอมแพ้ให้เป็นรู้ให้ได้อย่าไปเป็นคิดอย่าไปเป็นอารมณ์อย่าไปเลือกอย่าไปเลือ ก, กว่าจะเอาดีเเกลียดทุกรักสุขดีรักชั่วช้างอย่าไปเลือกเพราะไอ้นั้นมันเป็นอาการที่ต้องตายต้องแตกดับอย่าไปเป็นของตาย อย่าไปยึดของตายปล่อยวางมันให้เป็นรู้เป็นรู้เรื่อย ไ, ไปถ้าเราเพียนอย่างนี้จริงๆตั้งใจตั้งแต่บัดเนี้ยแผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีวันยอมแพ้ยังไงมันก็ต้องมีอะไรได้ติดม้าจิดมือบ้างล่ะได้โสดาบันตะกิตตะานาคารหันบ้างหรอเข้าใจไ้ยเนี่ย ม, มันชัดเจนเอสามมันชัดเจนกาสรุปว่าโกรธก็ไม่แปลกปรีก็ไม่แปลก ถ้าเกิดอาการขึ้นมาก็พยายามที่แลกมึกรู้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์นั้นอยู่แล้วก็ไปทำงานอื่นซกเออใชแ่แค่นั้นแหละ